ปัจเจเวคขณะยานผู้ที่เห็นประจักษ์พระนิพพานด้วยมรรคยานและผลญาแล้วย่อมกลับมาพิจารณามรรคผลและนิพพานที่ตนบรรลุแล้วผู้ที่มีความรู้หลักธรรมมักพิจารณากิเลสที่ถูกละและกิเลสที่ยังเหลืออยู่ต่อจากนั้นปัญญาจะเกิดร่วมกับการพิจารณาดังกล่าวชื่อว่าปัจเจเวคขณะยาน ดังคาถาสรุปในคำพีอภิธรรมมัทธสังคหะว่าบัณฑิตย่อมพิจารณามากักผลและนิพพานและบางคนก็พิจารณากิเลสที่ตนละได้แล้วและที่ยังเหลืออยู่คือที่ยังละไม่ได้ก็มีบ้างอันหนึ่งปัจเจเวคขณะนี้ยังนับเข้าในยานทัศนาวิสุท ธ, ธิอีกด้วยนอกจากนั้น ปัจเวกขณะยานสามอย่างแรกคือการพิจารณามรรคผลและนิพพานต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่การพิจารณาสองอย่างหลังคือการพิจารณากิเลส ท, ที่ตนละได้แล้วและยังละไม่ได้มีให้เกิดขึ้นแน่นอนเพราะผู้ที่เข้าใจว่ามรรคใดละกิเลสใดจึงจะพิจารณากิเลส ท, ที่ตนละได้แล้ว ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนก็จะพิจารณาไม่ได้เรื่องนี้กล่าวไว้โดยตรงในคำพีอัตกรถาหลายแห่งขอนำหลักฐานจากพระสูตรและอัตกถามาอ้างอิงไว้ดังต่อไปนี้หนึ่งเจ้าสกยะพระนามว่ามหานามะผู้เป็นพระสกทาคามีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าพระองค์เกิดความสงสัยอย่างนี้ว่าทำชื่ออะไรเล่าที่ข้าพเจ้ายัางละไม่ได้เด็ดขาดในภายในอันเป็นเหตุให้โลกธรรมก็ดีโทสะธรรมก็ดีโมหธรรมก็ดียังครอบงาจิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นครั้งคราวสองพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรมหานามะ ทำที่ท่านยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายในอันเป็นเหตุให้โลภะธรรมก็ดีโทสะธรรมก็ดีโมหะธรรมก็ดียังครอบงาจิตของท่านไว้ได้เป็นครั้งคราวก็คือโลภัธรรมโทสะธรรมและโมหะธรรมนั่นแหละหนึ่งดังได้สดับมาว่าพระราชาพระองค์นี้ทรงสำคัญว่า สกทาคามิมักละความโลภความโกรธและความหลงได้สิ้นเชิงพระองค์ทรงทราบว่ายังมีกิเลส ท, ที่ละไม่ได้เด็ดขาดจึงสําคัญว่ากิเลส ท, ที่ละได้แล้วเวียนกลับมาอีกภายหลังโดยอาศัยกิเลส ท, ที่ยังละไม่ได้ 2. ถามว่าความสงสัยอย่างนี้ย่อมเกิดได้แก่อริยสาวกหรือสา ตอบว่าถูกต้องแล้วย่อมเกิดได้เพราะเป็นผู้ไม่ฉลาดในเทศนาบัญญัติเนื่องจากอริยสาวกผู้ไม่ฉลาดในเทศนาบัญญัตินี้ว่ากิเลสนี้ถูกละได้เด็ดขาดด้วยมักโนนย่อมเกิดความสงสัยได้ 4. ถามว่าท่านไม่มีปัจจเวกขณะยานหรือ 5. ตอบว่ามี แต่ปัจเจเวคขณะยานนั้นมิได้บริบูรณ์แก่ทุกท่าน6เพราะบางท่านพิจารณาเฉพาะกิเลสที่ตนละได้แล้วบางท่านพิจารณาเฉพาะกิเลสที่เหลืออยู่บางท่านพิจารณาเฉพาะมรรคบางท่านพิจารณาเฉพาะผลบางท่านพิจารณาเฉพาะพระนิพพาน7 การพิจารณาหนึ่งหรือสองอย่างในการพิจารณาห้าอย่างนี้ควรมีได้แน่นอนข้อความข้างต้นกล่าวไว้ในคัมภีร์อัตถคถาของมูลนปัญนาตที่เห็นปัจจเวคขณะวิถีมีได้หนึ่งวิถีเป็นอย่างน้อยแต่ในคัมภี์อัตถคถาฉบับอื่นกล่าวไว้ตรงกันว่าการพิจารณามาก ผลและนิพพานมีได้แน่นอนส่วนการพิจารณากิเลสที่ตนละได้แล้วและกิเลสที่ยังละไม่ได้นั้นไม่แน่นอนว่าจะมีหรือไม่ก็ได้อย่างไรก็ตามการรู้ชัดว่ามีพระอริยะที่เกิดปัจจเวกขณะวิถีหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่วิสัยของคนทั่วไปแต่เป็นวิสัยของผู้ที่สามารถรู้วาระจิต ของพระอริยะทุกท่านในพระศาสนานี้ได้ดังนั้นจึงไม่ควรปฏิเสธข้อความจากคำพีอธิกถาของมุลปัญ น, นาฏโดยอ้างว่าไม่ตรงกับคำพีอธิกถาฉบับอื่นกิเลสที่ตนละได้แล้ว ต่อไปนี้จะกล่าวถึงกิเลส ท, ที่ถูกละด้วยมรสีตามสมควรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจเทศนาบัญญัติที่เกี่ยวกับการละ ก, กิเลสดังข้อความในคัมภี์อัตถคถาว่าลำดับแรกในสังโยชน์พึงทราบว่าหนึ่งทำห้าเหล่านี้คือสักยะทิฏฐิวิจิกิชิชฌาศิลปตตปรามาตพร้อมทั้งกามรมาคะ และปฏิฆะที่ให้เกิดในอบายละได้ด้วยยานที่หนึ่งคือโสดาปฏิมักคยาน 2. กรารมรคะาและปฏิฆะชนิดหยาบที่ยังเหลือละได้ด้วยยานที่สองคือสกทาคามิมักคยาน3กรารมรคะาและปฏิฆะอย่างละเอียดละด้วยยานที่สาม อนาคามิมักขยานสี่สังโยชน้าอย่างมีรูปราคะเป็นต้นรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชาละได้ด้วยยานที่สี่โดยแท้คืออรหัตตมักขยานในกิเลสตั้งหลายพึงทราบว่า 1. ทิฏฐิและวิจิกิจชา้าละได้ด้วยยานที่หนึ่งสองโทสะละด้วยยานที่สามสามโลภะโมหะมานะถีนะอุทจะอะิริกะและอนตุตตัปะละได้ด้วยยานที่สี่ในมิจฉตรยธรรมทั้งหลายพึงทราบว่าหนึ่งมิจฉาทิฏฐิ มุสาวาตมิจฉากรรมตะละมิจฉาอาชิวะสี่อย่างนี้ละได้ด้วยยานที่หนึ่งสงมิจฉาสังกับปะปิสุณาวาจาและพรุสวาจาสามอย่างนี้ละได้ด้วยยานที่สามอนหนึ่งพึงทราบว่าเจตนาเป็นวาจาในเรื่องนี้ 3. ส, สัมผัสปลาปะ มิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาวิมุตตและมิจฉาญาณละได้ด้วยญยาณที่สี่คำว่าอนหนึ่งพึงทราบว่าเจตนาเป็นวาจาในเรื่องนี้หมายความว่าเสียงพูดคือวาจาโดยตรงซึ่งเป็นรูปที่ละด้วยมักไม่ได้ แต่อากุศลเจตนาที่ก่อให้เกิดเสียงพูดเป็นธรรมที่ละได้ด้วยมรกดังนั้นจึงกล่าวว่าอากุศลเจตนาเป็นมุสาวาทปิสุนวาจาและพลุสวาจาเพราะเมื่อไม่มีอกุศลเจตนาก็เกิดมุสาวาทเป็นต้นไม่ได้ยกเว้นการกล่าวพลุสวาจาของพระ ิลินทวัชาที่เกิดจากความเคยชินคำว่าสัมผัสปราปะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาวิมุตและมิจฉาญาณละได้ด้วยญาณที่สี่พึงทราบความหมายว่ามิจฉาวาจา คืออกุศลเจตนาที่เป็นวจีทุจริตสี่มิจฉากรมนตาคืออกุศลเจตนาที่เป็นกายทุจริตสามมิจฉาอาชีวะคืออกุศลเจตนาที่เป็นกายทุจริตสามและวจีทุจริตสี่ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพมิจฉาสติคืออกุศลจิตตุบาท ที่มีสัญญาเป็นประธานเกิดขึ้นโดยระลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับทางโลกเช่นบุตรภรรยาความสนุกสนานการทะเลาะวิวาท ด, ดังนี้เป็นต้นมิจฉายานคือโมหะที่คิดหาทางทรรมอกุศลหรือใกล้ครวนถึงวิธีธรรมอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ความรู้ที่เป็นไปโดยไม่ถูกต้องมิจฉาวิมุตตคือความสำคัญตนที่ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสว่าหลุดพ้นแล้วหรือสำคัญธรรมที่ยังไม่หลุดพ้นว่าเป็นธรรมที่หลุดพ้นโดยองค์ธรรมคือโลภะจิตตุบาทจำแนกได้เป็นสองอย่างคือมิจฉาวิมุตตที่ให้ไปเกิดในอบาย ละได้ด้วยยานที่หนึ่งมิจฉาวิมุตติที่ไม่ให้ไปเกิดในอบายอันเนื่องด้วยการมราคะชนิดหยาบและชนิดละเอียดละด้วยยานที่สองและที่สามมิจฉาวิมุตติอันเนื่องด้วยภวะราคะละโดยดยานที่สี่องค์ธรรมของมิจฉาตรธรรมที่เหลือปรากฏชัดแล้ว ในโลกธระททั้งหลายพึงทราบว่า 1. ปฏิฆะความยินร้ายละได้ด้วยยานที่สามอนุญะความยินดีละได้ด้วยยานที่ส 3. อ, อ, อาจารย์บางท่านกล่าวว่าความยินดีในชื่อเสียงและการสรเสือละได้ด้วยยานที่สาม คำพีวิสุทธิมักบางฉบับมีข้อความว่าอาจารย์บางท่านกล่าวว่าความยินดีในชื่อเสียงและการสรรเสริญละได้ด้วยยานที่สี่ข้อความนี้ไม่ต่างจากสองประโยคต้นที่เป็นมติทั่วไปจึงควรมีรูปว่า ต, ตัตยะยานวัชโชละได้ด้วยยานที่สาม ตามมาติของอาจารย์บางท่านอันหนึ่งความตรณีที่เรียกว่ามัจฉาริยะละได้ด้วยโสดาปฏิมักคยานดังคำพีวิสุทธิมักกล่าวว่ามัจฉาริยะละได้ด้วยยานที่หนึ่งนั่นแหละมัจฉาริยะห้าประเภทกล่าวไว้ในคำพีอัตถสาริณีว่าหนึ่ง อาวาทมัชริยะความตรนีที่พักคือความไม่ต้องการให้บุคคลอื่นเข้ามาอยู่ในวัดหรือสถานที่ของตนหรือต้องการให้ผู้ที่มาอยู่แล้วย้ายไปสถานที่อื่นหาใช่ความไม่ต้องการให้คนร้ายมาพักอาศัย 2. คกุณมัชริยะความตรนีตระกูล คือความไม่ต้องการให้คนสนิทของตนที่เป็นทายกทายิกาญาติมิตรเป็นต้นไปคบหาบุคคลอื่นหาใช่ความไม่ต้องการให้คนร้ายมาคบหาสามลาภมัชฌริยะความตรณีลาภคือความต้องการให้ได้ลาภคนเดียวไม่ต้องการให้ผู้อื่นได้ลาภเหมือนตนไม่ใช่ความไม่ต้องการ จะได้ลาบของภิกษุที่ประจบตระกูลแล้วทำให้ญาติโยมเสื่อมศรัทธาและไม่ใช่การลังแกบุคคนอื่นเมื่อตนได้ลาบแล้วนอกจากนั้นยังเป็นความไม่แบ่งปันปัจใจสีที่ตนมีเพียงพอแล้วแก่เพื่อนพรหมจันทร์ส่วนการไม่ให้สิ่งที่ตนหวงแหนไม่จัดเป็นมัชฌิายะแต่เป็นเพียงโลภะ เพราะมัจฉริยะมีลักษณะทนไม่ได้ที่บุคคลอื่นครอบครองสมบัติของตนส่วนโลภะมีลักษณะผูกพันสมบัติของตนอันหนึ่งการไม่ใช่สิ่งที่ตนจำเป็นต้องจัดเป็นปฏิสังขายานดังที่กล่าวไว้ในวิปัสสนาในเล่มหนึ่งเรื่องสังโยชนในปริเจตที่สี่วันนะมัจฉริยะ ความตรณีความดีคือความไม่ต้องการพูดหรือฟังความดีของบุคคลอื่นหรือไม่ต้องการให้ผู้อื่นมีความดีเหมือนตนหาใช่ความไม่อยากพูดหรือฟังคำสารเสิญความดีที่ไม่มีจริง 5. ธรรมัชาวรยะความตรณีธรรมคือความไม่ต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจหลักธรรมหรือวิชาความรู้เหมือนตน หาใช่ความไม่ต้องการให้คนผ่านเรียนรู้ในวิปปลาดทั้งหลายพึงทราบว่าหนึ่งสัญญาจิตและความเห็นที่แปลปรวนในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงในความไม่มีอัตตาว่ามีอัตตาพร้อมด้วยความเห็นที่แปลปรวนในทุกว่าสุขในสิ่งไม่งามว่างามวิปปลาดแปดเหล่านี้ละได้ด้วยยานที่หนึ่ง สสัญญาและจิตที่แปรปรวนในสิ่งที่ไม่งามว่างามวิปปลาดสองเหล่านี้ละได้ด้วยยานที่สามสสัญญาที่จิตแปรปรวนในทุกวาสุขวิปปลาดสองเหล่านี้ละได้ด้วยยานที่สามสสัญญาและจิตที่แปรปรวนในทุกขวาสุขวิปปลาดสองเหล่านี้ละด้วยยานที่สี่ พระโสดาบันและพระสกทาคามียังมีสัญญาวิปลาสคือความสําคัญผิดและจิตตวิปลาสคือความรับรู้ผิดว่าร่างกายของตนและผู้อื่นสวยงามและเป็นสุขดังนั้นจึงเพลิดเพลินยินดีกามคุณแต่ท่านไม่มีทิฏฐิวิปลาสคือความเห็นผิดว่าเป็นสิ่งที่สวยงาม และเป็นสุขอย่างแท้จริงเมื่อท่านพิจารณาดูจะพบเพียงรูปนามไม่พบรูปร่างสันฐานที่สวยงามและเป็นสุขพระอนาคามียังมีสัญญาวิปลาดและจิตตวิปลาดว่าเป็นสุขดังนั้นจึงมีความอาลัยในขันของตนแล้วเพลิดเพลินอยู่ในรูปภพและอรูปภพ อันหนึ่งความลำเอียงที่เรียกว่าอคติละได้ด้วยโสดาปฏิมักยานดังคำภีวิสุทธิมักกล่าวว่าความลำเอียงมีสี่ประเภทหนึ่งฉันทาคติลำเอียงเพราะรักในเวลาตัดสินคดีแบ่งปันสิ่งของชมเชยตำหนิแนะนำหรืออุปถัมเป็นต้นสอง โทสาคติลำเอียงเพราะชังคนที่มตนไม่ชอบ 3. โมหาคติลำเอียงเพราะหลงด้วยความไม่รู้จริง 4. พยาคติลำเอียงเพราะกลัวผู้ที่มีอำนาจในอสวะทั้งหลายพึงทราบว่า 1. อสวะคคือทิฏฐิละได้ด้วยยานที่หนึ่ง 2. องอสวะคคือกามละได้ด้วยยานที่สาม สาอาสวะสองอย่างอื่นภวาสวะและอวิชชาสวะละได้ด้วยยานที่สี่อาสวะสี่ตามในพระสูตรและพระอภิธรรมคือ 1. กามาสวะโลภะที่พอใจกามคุณหาตามในพระสูตรหรือตามในพระอภิธรรมคือโลภะที่เกิดขึ้น ในโลภะมูลจิตทั้งหมดนอกจากภาะวะสองวาะวะโลภะที่พอใจรูปภพอรูปภพรูปฌานอรูปฌานโลภะที่ประกอบด้วยสัจตติทิฏฐิโลภะที่พอใจในกามภพคือความเป็นมนุษย์เทวดานากรุตบุรุษสตรีเป็นต้น ตามในพระสูตรหรือตามในพระอภิธรรมคือโลภะ ท, ที่ปราศจากทิฏฐิอันยินดีรูปรภพอรูปภพรูปฌานและอรูปฌาน 3. ทิฏฐาสวะทิฏฐิคือความเห็นผิด 4. อวิชชาสวะโมหะคือความหลงความโง่ในนิวรทั้งหลายพึงทราบว่าหนึ่ง วิจิกิจิานิวรละได้ด้วยญาณที่หนึ่งสงนิวร์คือกา ร, รมชัชชนทะพยาบาทและกุกกุจจะสามอย่างนี้ละได้ด้วยญาณที่สามสามนมิทธะและอุทจจะละได้ด้วยญาณที่สี่กา ร, รมชัชชนทะละได้ด้วยญาณที่สมเป็นกา ร, รมันทะอย่างละเอียดที่ยินดีพอใจในกรรมคุณ กล่าวว้ตามในพระสูตรส่วนตามในพระอภิธรรมรวมรูปราคะและอรูปราคะว่าเป็นการมชันทะรูปราคะและอรูปราคะดังกล่าวละได้ด้วยอรหัตตมักขยานในอุปทานทั้งหลายพึงทราบว่า 1. แม้รูปราคะและอรูปราคะ ก็รวมอยู่ในกามุปาทานเพราะโลกิยธรรมทั้งหมดกล่าวไว้ในคําว่ากามโดยเป็นวัตถุกามดังนั้นกามุปาทานนั้นจึงละได้ด้วยยานที่สี่สอุปท า, านที่เหลือละได้ด้วยยานที่หนึ่งอุปท า, านสี่มีดังนี้คือ 1. กามุปาทานความยึดมั่นในกามคุณ คือโลภะยินดีพอใจโลกีธรรมทั้งหมดที่เป็นวัตถุกรรม 2. องศีละพัตุปาทานความยึดมั่นในศีลพรษนอกศาสนาเช่นความประพฤตเหมือนวัวและสุนักเป็นต้นว่าเป็นทางหลุดพ้นหรือเป็นความยึดมั่นว่าสามารถหลุดพ้นได้ด้วยการบำเพ็ญศีลฝ่ายโลกที่ปราศจากอริยมรคมีองค์แปด 3. าอตาวาทุปาทานความยึดมั่นในตัวตนหรือสักยะทิฏฐิยี่ 20. สิบสทิตุปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิอื่นทั้งหมดสักยะทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ามีตัวตนแบ่งออกเป็นย0สิบอย่างโดยจำแนกขันหออกอย่างละสี่คือรูปังอตา รูปเป็นอัตตารูปวาอัตตาอัตตามีรูปอตัตตนิรูปังรูปมีอยู่ในอัตตารูปปัสมิงอัตตาอัตตามีอยู่ในรูปในอนุสัยทั้งหลายพึงทราบหนึ่งอนุสัยคือทิฏฐิและวิจิกริชฌาละได้ด้วยญาณที่หนึ่งนั่นแหละสอง อนุสัยคือการมราคะและปฏิคะละได้ด้วยยานที่สามสามอนุสัยคือมานะภวราคะและอวิชาละได้ด้วยยานที่สี่อันหนึ่งความสงบไปในอนุสัย เป็นการไม่เกิดขึ้นของปริยุตฐานะกิเลสถ้ายังมีปริยุตฐานะกิเลสอยู่ก็แสดงว่าอนุสัยยังไม่สงบไปในกุศลกรรมบททั้งหลายพึงทราบว่าหนึ่งปาณาติบาตการฆ่าสัตว์อธินาทานการลักทรัพย์การเมสมิจฉาจารความประพฤติผิดในการมุสาวาทการพูดเท็จ และมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอกุศลกรรมบท5อย่างนี้ละได้ด้วยยานที่หนึ่งสปิสุณวาจาการพูดส่อเสียดพุลสวาจาการพูดคำหยาบและพยาบาทความปองร้ายอกุศลกรรมบทสมอย่างนี้ละได้ด้วยยานที่สาม สามสัมผัสปลาปะการพูดเพรสเจอร์และอภิชาความละโมกละได้ด้วยยานที่สี่มีคำอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าอากุศลกรรมบทหคือปิสุนาวาจาผลสวาจาพยาบาทสามัมผัสปลาปะและอภิชาที่นำไปสู่อบาย ละได้ด้วยโสดาปฏิมักขยานอกุศลกรรมบดหาที่ไม่นำไปสู่อบายอันเนื่องด้วยกามราคะและพยาบาทอย่างหยาบละได้ด้วยสกทาคามิมักขยานอกุศลกรรมบดหาที่ไม่นำไปสู่อบายอันเนื่องด้วยกามราคะและพยาบาทอย่างละเอียดละด้วยอนาคามิมักขยาน สัมผัสปลาปะและอภิชาอันเนื่องด้วยภวะราคะละได้ด้วยอรหัตมักขยานในอากุศ ล, ลจิตตุปบบาททั้งหลายพึงทราบว่า 1. ทิฏฐิสัมปยุตตจิตสและวิจิกิจชาสัมปยุตตจิตหนึ่งรวมหดวงละได้ด้วยยานที่หนึ่งนั่นแหละส ปฏิ่าสัมปยุตตจิตสองละได้ด้วยยานที่ 3. สามจิตุบาทที่เหลือทิฏฐิคตะวิปยุตตจิต4อุทจสหรคตจิตหนึ่งละได้ด้วยยานสี่มีคำอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าอากุศลจิตตุปบาทหกดวงคือทิฏฐิคตะ วิปยุตจิตสีโทสะมูลจิตสองที่นำไปสู่อบายละได้ด้วยโสดาปฏิมักขยานดังหลักฐานในคำพีธรรมสังคณีว่าจิตตุปบา ท, ที่เกิดร่วมกับโลภะเป็นทิฏฐิคตะวิปยุตสี่จิตตุปบา ท, ที่เกิดร่วมกับโทมนั์สองทำเหล่านี้พึงละด้วยโสดาปฏิมักบ้าง พึงละด้วยธรรมขั้นสูงบ้างอากุศละจิตตุปาบาทหกดวงนั้นที่นำไปสู่อบายไม่ได้อันเนื่องด้วยการมราคะและพยาบาทอย่างหยาบพร้อมด้วยอุทจฉาสัมปยุตตจิตที่มีบุคคลเป็นที่ตั้งเหมือนกันโดยการละกับการมราคะและพยาบาทอย่างหยาบ ละได้ด้วยสกทาคามิมักขยานอากุศละจิตตุปบาทหกดวงนั้นที่นำไปสู่อบายไม่ได้อันเนื่องด้วยการมาราคะและพยาบาทอย่างละเอียดพร้อมด้วยอุทจจะสัมปยุตตจิตที่มีบุคคลเป็นที่ตั้งเหมือนกันโดยการละกับการมราคะและพยาบาทอย่างละเอียด ละได้ด้วยอนาคามิมักคยานทิฏฐิคตะวิปยุตจิตสี่ที่เกิดร่วมกับภวะราคะและอุทจะสหรคตจิตที่เหลือจากประเภทข้างต้นละได้ด้วยอรหัตมักคยานดังหลักฐานในคำพีธรรมสังคณีว่าทำใดไม่พึงละด้วยโสดาปติมัต คือจิตจจตุปบาทที่เกิดร่วมกับอุทธจักรทำใดพึงละด้วยมรรคชั้นสูงคือจิตตุปบาทที่เกิดร่วมกับอุทธจักความจริงแล้วอุทธจัสมปยุตตจิตไม่ได้ถูกละด้วยอรหัตมรรคยานอย่างเดียวเพราะความฟุ้งซ่านของพระสกทาคามีและพระอนาคามีไม่ควรมีสภาพหยาบเหมือนความฟุ้งซ่านของพระโสดาบัน ดังนั้นมรรคชั้นสูงทั้งสามจึงละอุทธะสัมปยุตตจิตอย่างหยาบละเอียดและโดยสิ้นเชิงข้ามกล่าวว่ามีบุคคลที่ตั้งเหมือนกันโดยกาละหมายความว่าเมื่อกิเลสอย่างหนึ่งดับไปด้วยมักคานุภาพในกระแสจิตของบุคคลหนึ่งกิเลสอื่นที่อยู่ในระดับเดียวกันกับกิเลสนั้น ก็ดับไปด้วยกันเป็นกิเลสระดับเดียวกับที่ดับไปพร้อมกันโดยไม่ใช่กิเลสที่เกิดร่วมกันหมายความก็คือกิเลสที่ดับไปพร้อมกันในกระแสะจิตของบุคคลหนึ่งคือกิเลสที่มีในที่ตั้งคือบุคคลเดียวกันอยู่ในระดับเดียวกันกับกิเลสที่ถูกละด้วยมัคและถูกละได้พร้อมกันในคมภีวิสุทธิมัค และคำพีนี้มิได้กล่าวถึงอกุศลธรรมบางอย่างที่ละได้ด้วยมรรคยานสี่บางอากุศลธรรมนั้นมีองค์ธรรมโดยเฉพาะและมีลักษณะการละเหมือนสังโย์ที่กล่าวไว้แล้วส่วนอากุศลธรรมที่ไม่มีองค์ธรรมโดยเฉพาะพึงนับเข้าในอากุศลจิตตุปบาทที่เกี่ยวข้องและถูกละด้วยมรรคยานสี่ ตามสมควรดังคำพีมหานิกายวิสุทธิมักกล่าวว่าอันหนึ่งด้วยการถือเอาจิตตุปบาทในเรื่องนั้นพึงทราบว่าพระอัตถกถาจารย์กระทำการรวบรวมการลบลูคือมักกะการตีตนเสมอท่านปลาสะการเสรแสร้งมายาการหลอกลวงสาไทยความประมาท ประมาทะความหัวดือ้อธรมภะและความแข่งดีสารัมภะเป็นต้นในมัชฌิมานิกายมูลปัญ น, นาตวัฏสูตรพระพุทธองค์ทรงแสดงอุปกิเล์ที่ควรละ16ประการดังนี้ 1. ความโลภที่ไม่เหมาะสมด้วยอภิชาอภิชาวิสมะโลภะ 2. ความปองร้ายพยาบาท 3. ความกโกรธโกธะ 4. ความผูกโกรธอุปานาหะ 5. การลบหลูมักขะคือจิตตุ ป, ประบาทที่เกิดร่วมกับโทมนต์เป็นไปโดยลักษณะลบหลูคุณของผู้ที่ทำอุปการะไว้ดังคำเพีอรทกถาอธิบายไว้ดังนี้ งพงทราบว่าโดยองค์ธรรมเป็นจิตตุปบาทที่เกิดร่วมกับโทมานต์อันเป็นที่ไปของลักษณะลบปรูคุณของผู้มีพระคุณ 6. การตีตนเสมอท่านปลาสะคือจิตตุปาทที่เกิดร่วมกับโทมานั์และเป็นไปโดยลักษณะตีตนเสมอกับทุกคนอื่นที่เลิศกว่าตนด้วยคุณธรรมมีศรัทธาและศีลเป็นต้น 7. ความริษยาอิจฉา 8. ความตรณีมัจฉริยะ 9. การเสียแสงมายาคือจิตตุบาบา ท, ที่เกิดร่วมกับโลภะเป็นไปโดยลักษณะปกปิดโทษของตน 10. การหลอกลวงสาไทยคือจิตตุบา ท, ที่เกิดร่วมกับโลภะเป็นต้นไป เป็นไปโดยลักษณะโอ้อวดคุณธรรมที่ไม่มีจริงในตนสิบเอ็ดความหัวดื้อทำพะคือจิตตุปบาทที่เกิดร่วมกับมานะเป็นไปโดยลักษณะกระด้างไม่เคารพนับถือผู้ที่ควรเคารพนับถือดังคำพีมุนดิกาอธิบายว่าอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า ความกระด้างของจิตก็คือจิตที่ดำเนินไปอย่างนั้นนั่นแหละอีกนายหนึ่งพึงทราบว่าเป็นมานะโดยพิเศษ 12. ความแข่งดีสาราัมภาคือจิตตุปบาทที่เป็นทิฏฐิคตะวิปประยุตมีมานะเป็นประธานเป็นไปโดยลักษณะต้องการจะเอาชนะบุคคลอื่น 13. การถือตัวมานะ 14. ความเยื่ยยิงอติมาณะ 15. ความมัวเมามานะ 16. ความประมาทประมาทะคือโลภะมูลจิตตุปปะบาทหรือโทสะมูลจิตตุปปบาทเป็นไปโดยลักษณะพอใจการมะคุณห้าและทุจริตพร้อมทั้งหลงลืมการทำคุณงามความดี อุปกิเลสเหล่านั้นละได้ด้วยมักคยานสี่ตามสมควรดังคำพีอัตกถากรา ว, ว่า1อุปกิเลสหเหล่านี้คือการลบปลูการตีเสมออิสามัชยะมายาและสาธไยละได้ด้วยโสดาปฏิมักมรรคยาน 2. อุปกิเลตสี่เหล่านี้คือพยาบาทโกธะความผูกโกรด และประมาทะละได้ด้วยอนาคามิมักอุปกกเลสหกเหล่านี้คืออภิชาวิสมาโลภะความหัวดือ้อความแข็งดีมานะอติมานะและความโมเมาละได้ด้วยอรหัตมักขยานอนหนึ่งการละอุปกกเลตสิบด้วยอนาคามิมักขยานและอรหัตมักขยาน เป็นการละโดยเด็ดขาดที่จริงแล้วมัคยานเบื้องต่ำคือโสดาปฏิมักยานและสกทาคามิมักยานสามารถจะละอุปกิเลตเหล่านั้นที่นำไปสู่อบายได้